อันพระองค์ก็เลย น, นะเหตุผลที่เรียกว่าเดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากลําบากนะแล้วก็พระองค์ก็มาถึงแท่นนั้นนะนะพระอนุลก็ช่วยจัดเตียงเสร็จตรงค์ก็ประทับเนนะสีสำเร็จสีหัสายาดเนี่ยนะสีหัสายาเป็นแต่ของพระองค์นั้นด้วยชานสีโปรง่งเข้าชานสีเอาเท้าซ้อนเท้าเนี่ยนะเพื่อที่จ ะ, ะไม่ให้เทว่านอนในท่าที่สบายที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น แต่การนอนครั้งนี้ถือว่าเป็นการนอนครั้งสุดท้ายจะไม่มีอรยาบาอื่นอีกต่อไปเป็นการนอนครั้งสุดท้ายจริงๆบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงว่านอนสุดท้ายเนี่ยนะคือตั้งแต่หัวค่ำมาตั้งแต่พระเพลเนี่ยค่ำา่เนี่ยจนถึงรุ่งอรุณรุ่งอรุณเนี่ยพระองค์ก็ปรินิพานเนี่ยพระองค์ไม่ได้หลับเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนดับขันปรินิพานไม่ได้หลับเลย ไม่ได้งีบเลยนะไม่ได้สํานวนว่าไม่ได้พักผ่อนแบบธรรมดาทั่วๆไปไม่มีเวลาเข้าพวังวังนั้นไม่มีเวลาเข้าพวังยาวๆที่เรียกว่าแอบงีบหลักเป็นต้นไม่มีจึงอยู่ปฐมยามพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดเจ้ามาลทั้งหลายต้องแสดงธรรมสงเคราะห์พวกเจ้าเมืองเองนะอนะโปรดเขานะอย่าลืมว่าพระองค์เนี่ยผู้ที่สร้างบารามีมาเพื่อที่จะช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่ลุกไม่ขึ้นแล้วก็ยังช่วยเขาได้ ช่วยแสดงธรรมให้เข้าบรรลุมรรคผลมัชฌิมยามเนี่ยนะช่วงตีสองถึงช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองก็แสดงธรรมโปรดสุภาาัฏะปชิมยามแห่งราตรีพระองค์ก็โอวาทสั่งสอ น, พ, สส น, นพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายแนะนําพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายใกล้รุ่งเรียกว่าใกล้วกสว่างจวนสว่างเต็มทีพระองค์ก็ดับขันธปรินิพานนะ ดับขันทัปปริณิพานเรียกว่าเวลาชีวิตของพระองค์ทุกเวลาก็มีอะไรได้อะไ ร, ะไ ร, ะไรมีอุปการะคุณอย่างมากช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆช่วชีวิตที่มีอยู่ก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้อนะอย่างหาที่สุดไม่ได้ก่อนจะดับขันปริณิพานก็ช่วยผู้อื่นได้อย่างมากและที่สําคัญเนี่ยนะดับขันปริณิพานไปแล้วแม้แต่พระาธาตุหรือกระดูกทั้งหลายก็ยัง ช่วยผู้อื่นให้ให้สำเร็จบุญกุศลเป็นต้นแม้กระทั่งคำที่พระองค์ได้โอวาสสั่งสอนเอาไว้คำสอนเหล่านั้นก็ช่วยสรรพสัท์ทั้งหลายให้ได้เกิดการตรัสรู้ธรรม น, น, นี่ตอนที่พระองค์ประทับสำเร็จสีห์สายยาเตียงสุดท้ายนั้นในข้อหนึ่งร้อยี่สิบเก้าหน้าสามร้อยหกสมัยนั้นไม้สาระทั้งคู่นะต้นสาระที่อยู่ ทั้งข้างพระเสียนและก็ทั้งท้าท้งพระบาทเนี่ยนะทั้งต้นนั้นก็เผลดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นที่เบ่งบานเต็มที่ก็ร่วงหล่นปโปรยปลายลงยังสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตก็คือเทพพ ย, ยดาที่อยู่ในต้นสาระที่สิงอยู่ในต้นสาระก็ทำให้เกิดออกดอกเบ่งบานแล้วก็ให้ดอกเนี่ยโรยโปรยปลายลงในสริระของพระองค์ อันนี้อันนี้ด้วยอำนาจภูมิมะเทวดาที่อยู่ที่ต้นสาระอันนั้นต้นสาระคู่นั้นแม้ดอกมนทารบอันเป็นของทิพย์ที่ดอกไม้สวรรค์เนี่ยนะก็ตกลงมาจากอากาศดอกมนทารบนั้นร่วงหล่นโปรยปลา ย, ล, ายลงยังสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตไอ้ทิ้งดอกมนทารบอันเนี้ยดอกใหญ่นะเป็นร่มได้ก้นเป็นร่มได้แม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ตกลงจากอากาศ แคเรียกว่าผงหอมเนี่ยนะผงผงแก่นจันทหอมเนี่ยก็บูชาและผงแก่นจันทเหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปรายลงมายังสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดนตรีอันเป็นทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตสังคีตะเครื่องบรรเลงเสียงอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศนะดนตรีการขับร้องการประโคมก็เป็นไปในอากาศเพื่อ บูชาพระตถ า, าคตเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยั่วยว น, ยวนบาปอากุศลแต่เป็นสีกลิ่นรสทุกอย่างเนี่ยนะที่เรียกว่าดีที่สุดเพื่อบูชาพระตถ า, าคตพราเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะประสงค์บุนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็รับสั่งกับท่านท่านอ์ว่าดูก่อนอานน์ไม้สาระทั้งคู่เพลิดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปลายลงมายังสรีระของพระตถ า, าคตเพื่อบูชาตถาคตแม้ดอกมณฐารพบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฐารพบเหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรย ป, ยปลายลงมายังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตอานุ์แม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจนแห่งจันทร์เหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปลายลงอย่างสรีระของ ตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดนตรีอันเป็นทิพเล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตเมสังขีตะอันเป็นทิพก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคตดูก่อนอนอนท์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทธคือบริสัทอะไรนะมนุษย์บริษัทธ์ทิจารตูมดาวดึงบริษัทธเทพบริษัทธพรหมบริษัทธเป็นต้นเนี่ยนะบริษัทธเหล่านั้นเนี่ยการที่เป็นอย่างนี้ จะชื่อว่าบริษัทสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมตถาคตด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หามิได้นี้ไม่ใช่เป็นการบูชาเรานะาพูดแบบภาษาเราๆง่ายๆกว่ า, าการที่มีเครื่องสักการะเหล่านั้นเนี่ยมาปโปรยราดรลดลงที่สรีระนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเราเพราะอะไรเพราะผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบคือปฏิบัติถูกต้องประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามธรรมอยู่ก็คือปฏิบัติไปตามศีลตามโพธิปัจจคียธรรมเป็นต้นเนี่ยนะผู้นั้นเชื่อว่าสักการะเคารพ บ, บูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งนี่แหละเป็นการบูชาจริงๆที่เราต้องการานะนะเรพูดแบบนึ้นก็คือการบูชาด้วยอามิตรไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่เชื่อว่าเป็นการบูชาเราแต่ก า, าการบูชาด้วยการปฏิบัติ ตามธรรมที่สอนนั่นแหละเป็นการบูชาเราอย่างแท้จริงเพราะเหตุ น, นั้นแหละอานนเพวกเธอพึงทำศึกษาว่าอย่างนี้ว่าคําว่าศึกษาก็คือสมาทานอธิษฐานตั้งใจไว้เลยว่าเราเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานเมื่อสมาทานเมื่อมีการตั้งใจอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติถูกต้องตามธรรมประพฤติตามธรรมตามคําสอนอยู่อันนี้แหละจึงจะเป็นการ บูชาพระองค์อย่างแท้จริงนะแต่ก็อย่างว่าเบื้องต้นถ้าเราจะบูชาอย่างนั้นได้เราก็ต้องบูชาด้วยการศึกษาคําสอนให้เข้าใจไม่งั้นเราจะทําถูกตามคําสอนได้อย่างไรเพราะบูชาขั้นต้นที่จะเป็นไปตามคําสอนก็คือศึกษาคําสอนให้เข้าใจศึกษาสติปัฏฐานเป็นต้นศึกษาข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าโอวาทแนะนําสั่งสอนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม คำสอนการตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงอธถกฐานหน้า417ย่เจยอดหน้าสุดท้ายบทว่าสัพพะพาลิพุลาความว่าต้นสาระทั้งคู่บานสะพรั่งดาระดไปนด้วยดอกเนี่ยตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดไม่ใช่แต่ต้นสาระคู่อย่างเดียวเท่านั้นนบอกว่าดอกไม้ทั้งหมดก็ผลิต ด, ดอกบานสพรั่งเหมือนกันหมดดอกไม้ ต้นไม้ที่มีดอกทุกต้นมีดอกหมดเลยมีใช่แต่ในสวนนะสารวันสวนนั้นเท่านั้นน่ะแม้แต่ในหมื่นจักรวาลไม้ดอกก็ผลิดดอกไม้ผลก็ผลิดผลต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าจะเป็นขันทรพรพุว่าขันทพระพุมก็บานที่ลำต้นขันทภาพแราว่าลำตน้นนะดอกไม้บางพวกบานที่ประต้นลำตน้น บ, บางพวกก็บานที่เก่งบางพวกก็บานที่เคอวันถาวันบางพวกก็เช่นอากาศปฐมก็บานบนอากาศ อดอกขันทัพปฐมก็แทรกพื้นดินขึ้นมาบานที่เราดอกไม้เนี่ยบานงดงามมากเลยนะที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นบางคนบอกอุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราถ้าใครที่เป็นนักอดูพื้นพื้นแผ่นดินเนี่ยนะรู้จักพื้นแผ่นดินเยอะๆเนี่ยบางแห่งแค่ฝนตกลงมาครั้งเดียวเท่านั้น่ะเมล็ดพันธุ์แถวนั้นอะนะมันงอกแล้วมันบานงดงามไปเป็นเป็นอะไรเป็นพื้นที่เป็นหลายหลายสิบไร่อ่ะหลายๆกิโลอ่ะ พวกยุคนั้นเนี่ยนะแค่ฝนตกลงมาไม่ยอมมีบุญหนักสักใหญ่เช่นกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยามที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานถามจริงว่าตลอดสังสารวัตพระองค์บูชาด้วยดอกไม้มากี่ดอกแล้วมาเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ได้เคยทําออกไปสิ่งนั้นก็ย้อนกลับมาหาพระองค์อยู่แล้วทําให้พระองค์ได้รับรู้รับเห็นและรับทราบว่ามีสิ่งที่บูชาพระองค์แต่อย่าลืมว่าพระองค์ไม่ได้มีฉันทะราคะมีมานะ อันนะ้นด้วยใจศินหาอาลายัยอาวร์อยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยนะมันสรุปว่ามหาสมุดดารดาดั้งยด้วยบัวห้าสีป่าหิมะวันกว้างสามบรรยโยธก็ได้กลายเป็นที่เรื่อนรมยิ่งนักเหมือนลำแผนหางนกยูงที่มัดติดกันเป็นพืชเรียกว่ามวลดอกไม้บูชาตลอดทั่วจักรวาลนั้นเหมือนพวงดอกและช่อไม้ติดกันไม่มีระหว่างดอก เหมือนดอกไม้ประดับศีสันที่ผูกเบียดกันเป็นอันดีเหมือนพระอบที่มีดอกไม้เต็มบทว่าเตตถาคตสาสสรีรังโอกิรันติสาระคู่นั้นถูกภูมิเทวดาเขย่าต้นกิ่งและขาดคบโปรยลงสู่สรีระของพระถาคตเหมือนโรยลงบนพระสรีระนะทั้งดอกไม้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดอกมณฑริพแม้กระทั่งละอองเกสรดอกไม้ มณฑาเรีบดอกพระริชตะกะดอกทองหลังแต่และอย่างบรรจุเต็มผ้าผ้า อ, อบทองให้เต็มเทวดาที่อยู่ขอบปับจกจักรวาลเทวดาชั้นดาวเดืองพรห ม, มโลกก็เอามาโปรโยเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้านี่ย น, นะทั้งหมดทั้งดอกและกลีบก็ราดรสไปกระจัดกระจายไปในสรีระต่างๆของพระองค์แม้กระทั่งว่าทิพานนิติจันทนะจุนา น, าจนานิ ก็คือผงจันทร์ที่สําเร็จรูปของเหล่าเทวดามิใช่ผงจันทร์ที่สำเร็จรูปของเทวดาเท่านั้นแม้กระทั่งผงจันทร์ของพวกนาครุษมนุษย์แล้วก็ผงไม่ใช่ผงจันทร์อย่างเดียวก็มีผงคันธชาติทิพทั้งหมดกฤษณาจันทร์แดงผงหรดาเร่พลวงเงินและเร่ทองเป็นต้นที่อบด้วยกลิ่นทิพทั้งหมดบรรจุเต็มหีบเงินและหีบทองเทวดาที่อยู่ขอบปากจักรวาลก็นําเข้าไปเนี่ย ไม่เรียรายในระหว่างแต่ก็โปรยลงใส่สรีระของพระตถาคตทั้งนั้นแหละเพื่อเป็นพุทธบูชาแม้แต่กลองของเทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลกลองนาะกลองครุฑกลองมนุษย์กลองหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องดนตรีอย่างอื่นทั้งคขงขึงสายหรือหุ้มหนังทึบโปรงหรือว่าโปรงนะหรือว่าทุกชนิดก็บรรเลงเสียงดนตรีเป็นพุทธบูชาหมดแม้กระทั่งว่า น, นะสังขีตะอันเป็นทิพย์เช่นเทวดาผู้มีอายุยืนชื่อวารุณนะเทพวารุณเหล่านั้นทราบว่าพระมหาบุตรบางเกิดในถิ่นมนุษย์จักเป็นพระพุทธเจ้าเขามีเทวดาบางพวกนะเทวดาชื่อว่าอ่วาวรุณหรือว่าเทพวรุณเนี่ยนะวรุณเทวดาวรุณเนี่ยเป็นเทวดาที่มีอายุยืนมากเทวดาเนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้พระองค์เนี่ยถือปฏิสนธิในมนุษย์ตัวเองเนี่ยกำลังร้อยพวงมาลัยคิดว่าจะไปบูชาให้ทันวัน ปฏิสนธิขณะที่กําลังร้อยพวงมาลัยก็บอกว่าตอนนี้พระองค์ลงสู่ขันแล้วก็ถูกถามว่าท่านร้อยมาลัยให้ใครก็บอกว่าเนี่ยร้อยพวงมาลัยให้พระองค์เนี่ยเพื่อวันในวันปฏิสนธิบอกปฏิสนธิแล้วเอางี้แล้วกันวันที่ประสูติออกจากพระครันเทวดาก็มาถามก็มาบ่อยว่าตอนนี้คลอดแล้วเอาไปไปวันบวชกันแล้วกั น, นมหาพิเนสกรมอีกยี่เก้าปีผ่านไปก็ยังร้อยพวงมาลัยไม่เสร็จ แเราบอกเอ้าวันตรัสรู้ก็แล้วกันหลักจากนั้นหกปีก็ร้อยไม่เสร็จก็แล้วเดียววันวันประกาศพระธรรมจักรก็แล้วกันประกาศธรรมจั ก, ก ร, ก, ร, ร ก, ก็ร้อยไม่เสร็จคิดเอาวันแสดงยงมากาศปาฏิหาริย์ก่อนขึ้นดาวบดึงก็ร้อยพวงมาลัยไม่เสร็จเอาวันที่ลงจากเทวโลกก็แล้วกันไม่เสร็จวันวันนี้คิดว่ายังไงพระองค์ปรองอายุสังขาร น, นะคิดว่าอีกสามเดือนแล้วก็ทราบว่าวันนี้พระองค์จับปริศธิพานนอนตะแคงขวา ระหว่างคู่สาระมีสติสัมปชัญญะจะปรินิพานจวนรุง่งแล้วก็มีแววเสียงว่าท่านร้อยพวงมาลัยเพื่อใครนี่อะไรกันบอกวันนี้ไปเองเนะเอ๊เขาคิดอะไรความที่เขาอายุยืนมากอะไรกันเนี่ยวันนี้พระ อ, องค์เพิ่งปฏิสนธิแล้วก็คลอแล้วก็บวชตรัสรู้ประกาศธรรมจกักรแสดงยมกะลงจากเทวโลกลงอายุสังกัดแล้วก็ปรินิพานวันเดียวกันหรอน อ, อายุเขายืนมา ก, กนะไอความที่อายุยืนมันแบบเดียวทําไมมันเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ สำหรับเทวดาแล้วก็มองอายุทงมนุษย์เนี่ยแหมเหมือนกับหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าจริงๆมันน้อยเนี่ยนะมันน้อยนิดๆเดียวเนี่ยนะแต่ของเราโอ๊ยอีกนานตั้งสามวันเนี่ยสบายมีอะไรทําเยอะแยะเลยอีกตั้งสามวันเนี่ยไว้อีกตั้งสามเดือนไว้อีกตั้งสามปีเนี่ยนะโอ้ยยืดยาวนานแท้นเนี่ยนะพอถึงวันเข้าจริงๆก็เดือดร้อนเรา้เราๆว่าโอ้ยทํำไมมันสั้นขนาดนี้เนีย่ยนะแหมไอตอนที่ธรรมดาเนี่ยโอ๊ยอีกนานอีกนานตั้งตั้งแต่จริงๆที่ไหนได้มันล้มไปตั้งนานแล้ว ไม่ตั้งแล้วล่ะก็เลยคิดว่าโอ้ยพระองค์นี้ก็มีดำชีวิตดำรงอยู่เท่ากับเวลาดื่มข้าต้มเ น, นันนะนะดื่มน้เข้าต้มเนี่ยในวันที่สองหรือไม่หนอเพราะฉะนั้นข้อ น, นี้ไม่สมควรบัดนี้พระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมี30สิบทัดบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าจำเราจักถือพวงมาลัยที่ยังไม่เสร็จมาเมื่อไม่ได้โอกาสภายในจักรวาลวิธีไอพวงมาลัยเนี่ยมันใหญ่มากคิดดูร้อยเป็นใช้เวลาเนี่ยนะ 80ปีเออ81ปีในการร้อยเนี่ยแล้วเทวดามจะเราขนาดไหนใชมันใหญ่มากใหญ่เค่ไหนว่าแบบไม่รู้จะว่าวางนั้นเลยวางขอบปากจักรวาลหนึ่งวางพาดอีกจักรวาลหนึ่งดอกไมา้าใหญ่มากแค่ียกว่าเลยคล้องที่ขอบปากจักรวาลแล้วก็วิ่งเล่นไปตามขอบปากจักรวาลเอาประหัดเกี่ยวหัดแล้วก็สอ ส, สลอนขับกล่อมปราลพบรัตนะ์ตรัยก็เหมือนกับเราแบบแหมอ่าปกติพวงมาลัยทั้งหลายก็ใส่ข้อมือใส่อะไรได้นิ้ ระว่ารอยประเภทพวงมาลัยหุ้มพระเจดีย์ทั้งองค์อ่ะประเภทนั้นแหละเป็นพุทธบูชาแต่แล้วก็ขับกล่อมร้องเนี่ยนะร้องเพลงสรรเสริญปรารกว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักสณะ32ประการอะไรบ้างชื่นชมพระสัพพันพระจับ พ, พันธ์รังสีรัศมีที่แผ่ร้านจากพวรกายทั้งหสีแล้วก็ทศบาลมีสิบที่พระองค์ได้เจริญมาอ่ะนะสรรเสริญชาดกห้า้อยห้าสิเรื่อง สัเนเสริญพุทธยานสิบสี่เช่นยานในอาสาธรณญ า, านหกยานในอริยสัจสี่ยานในปฏิสัมพิธาสี่เป็นต้นในที่สุดพุทธคุณนั้นนั้นก็จำต้องละไปถึงผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในที่สุดก็ยังดับขันไม่มีเหลือเลยสังขารทั้งหลายจะเที่ยงมาจากไหนมันทุกอย่างก็ทำบอกอพระองค์ผู้ทรงคุณอย่างนี้ก็ยังเสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยนะ ก็เป็นคนทั่วๆไปบอกโอ้ยนี่มันแช่งหรือม า, มาอะไรกันแน่นะแต่จริงๆบอกอู้สังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แล่เนี่ยนะ